50 languages. เจพบหมอรบดิฉันมีนัดกับคุณหมอนนโรนดิฉันมีนัดตอนสน นานูวัยรดนนูหัตท์ถุงเงยเบื้ตีมาดุตเนเนคุณชื่ออะไรคะนิมมะเหสเรนูกรุณานั่งรอในห้องด้ยวบิทูนิริกชนาโคนยลีคุลิตุกลลีคุณหมอกำลังเดินทางมาวัยเดือนอุอิศตระเลยบรุตตาร คุณมีประกันกับบริษัทไหนน่วเยลลีวิเมมาดิซิดดรดิดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหมนันนินดานิมเกเยนุสหายาอากบหฮุดุคุณมีอาการปวดไหมคะนิมเกนโนวูอิเดเยเจ็บตรงไหนคะยเยลลีนโนวูอิเดเอ ดิฉันปวดหลังเป็นประจำนนเกสซาดาเ บ, บนโนวูอิรุตเตเดดิฉันปวดหัวบ่อยนนเกอเนกะบาระเลโนูบารุตเตเดดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้งนนเกเคลวบาริฮุตเตโนวูบารุตเตเดถอดเสื้อออกค่ะ เดียบิทูนิมมะเมลังเกียนนูบิชิรีนอนบนเตียงตรวจค่ะเดียบิทูหาสิกีะเมเลมลกิกลลีความดันโลหิตปกติรักตรดวัตราสริยากิเดดิฉันจะฉีดยาให้คุณนานูนิมเกวันดูชุชุมัดดูคดุตเตเน ดิฉันจะให้ยาคุณนานนิมกเกะเคล่าวูบุลิกีกระนนู้ดุตเตเน่ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยานานนิมกเกะเอาชัดดาดาอังการิกาจีวันดูอาชดดชีตีบรดดุตเตเน